นี่เราจึงภาวนากันภาวนาไม่ใช่บริกรรมพุโทโธพุโทโธสัมมา ห, หลังยกหลงของหนอไม่ต้องว่าเอาตัวรู้เข้าไปเลยอะไรที่มันเกิดจากความรู้ไม่้ากอะไรม่นเกิดจากความหลงไม่มากเห็นมันหมดเห็นมันครบมันท่วนแ่มแจ้งเอาไปเลยให้มันเห็นต่อหน้าต่อตาเอาผลประโยชน์จากมันความหลงมันทาให้รู้ความทุกข์มันทำให้เร า, าเราู้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 บางทีก็ไม่ไม่สดวกบางครั้งก็ไม่มีเสียงเพราะเป็นเดนของโลกล้ายอันเอาตายไปก็เป็นเดนไปมก็เหลืออยู่พลังที่จะมาเอากันจริงจริงแล้วก็หมดไปแต่อารใชพวกเรามาช่วยกันพิษุณีธรรมกีตาก็มาช่วยกันนะอยากได้ผู้หญิงอยากได้พิกษุนีเป็นพลังในการเผยแพร่